Book 2 <30. S> 3สามสิบทริที่ร้านาหารสองรสเตรานาขอน้ำแอปเปิลครับอปเลซีนซูลูจูขอน้ำมะนาวครับ ลิมนนัดิลูจูขอน้ำมะเขือเทศครับตัมาตุสุลูลูจูผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับเอสลาปราตเวเลตัวสกลาซิซาร์คันวีนาผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับเอสลาปราตเวเลตัวสกลาซิบอลทวีนา ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับเอสลาปราต์แวล่าตัวสปูเดลิจิร์กตัวชาคุณชอบปลาไหมครับ Va ยเตลก a รชัวซบคุณชอบเนื้อวัวไหมครับ Va ตคุณชอบเนื้อหมูไหมครับ v ไวเทลการช o ดซู gaļa? ผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ e s v a l o s kaut ko bez g a ļ a s ผมต้องการผักรวมหนึ่งชุด e s v a l o s d ā r z e ņ u p l a t i ผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน เ s สเวลส์เขาต้องขึ้นขึ้นในบ i ฟ a ์อิลกคุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับบายูสตัวแวลต i e อารีเซียมคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับบายูสตัวแวลติสอาร์โนเดลัคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับ วายูสต ar ัวละเทสอาร์คาร์โตเปเลียมรสชาติไม่อร่อยแต่มันไม่กระชอาหารเย็นชืดเอเดียนส์อิรส์ผมไม่ได้สั่งจานนี้ตูดเอสในปัสูตีอยู่กรุณาไปที่